พระธรร ม, มเทศนาของหลวงปู่ขาวอานาลโยวัดถ้ำกล่องเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องนิโร สติถ้าไม่ถูกกักจริตมีความอึดอัดใจหายใจไม่สะดวกไม่สบายถ้าถูกมันจึงสบายหายใจเบาลงแต่คนก็ชอบแต่ความสบายถ้าไม่สบายไม่ค่อยชอบถ้ามันสบายมันก็หลงไปเสียกับความสบายละ่ะถ้าเปลี่ยนบ้างมันจึงจะดีเปลี่ยนคือความเจ็บปวดนั้นมันเปลี่ยนบ้าง มันจึงรู้มันจึงตื่นหมายความว่าเปลี่ยนมันไม่เพลินเวทนามันทรมานให้เขาปราบเอาบ้างมันจึงดีเหมือนกันกับเด็กมันดื้อมันขนองพ่อแม่ต้องเคี้ยนเอาบ้างมันจึงหายความขนองจิตของเรามันเป็นอย่างนั้นถ้าอยู่ดีสบายแล้วมันลืมให้นั่งภาวนาเป็นสมาธิ ให้มันเป็นปัญญาคอยเตือนอย่าดือ้ออย่าขนองให้กำหนดให้มันรู้ทุกพระพุทธเจ้าสอนว่าให้มารู้จักทุกถ้ามันสบายแล้วมันไม่รู้จักทุกถ้ามันสบายแล้วมันมัวแต่เพลินไปให้มันไม่สบายแล้วมันจึงกำหนดรู้จักทุก พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าให้มันรู้จักทุกให้มันรู้จักพิจารณาแต่ทุกพิจารณาให้มันเห็นชัดมันอยู่ที่ใจแล้วมันจึงจะค้นหาเหตุทุกเป็นผลแล้วความทะเยอทะยานนั้นเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกขนไปให้เห็นเหตุเกิดทุกจะปล่อยวางความทะเยอทะยานความหลง อันสมุทัยนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยสมมุติสมมุติว่าผู้หญิงผู้ชายว่าคนว่าสัตว์นั่นเป็นหลงสมมุติพอใจเพราะความหลงสมุทัยก็มาจากความหลงพอมันขี้หลงเข้าหลงอยากเป็นอยากมีหลงสิ่งที่ไม่ชอบรู้เหตุอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นเหตุให้ท่องเที่ยวในสังสารวัตไม่มีที่สิ้นสุดให้ปล่อยวางอันนี้ปล่อยวางคือไม่ยึดไม่ถือรู้เท่ามันเมื่อปล่อยวางแล้วนั่นแหละจิตมันจึงจะสงบจิตมันจึงจะมีความสุขความสบายจิตไม่ดิ้นรนจิตสงบนั่นแหละให้รู้ว่าจิตเราสงบ จิตเราไม่เพลิดเพลินไปกับอารมณ์ดีก็ตามไม่ดีก็ตามไม่เพลิดเพลินเฉยเป็นกลางเรียกว่านิโรธะปล่อยวางอันนี้ความทะเยอทยานหรือสมุทัยวางอันนี้แหละได้ชื่อว่าปล่อยเหตุวางเหตุแล้วจิตสงบจิตเป็นกลาง การค้นการพิจารณาเรื่องจิตหนีเรียกว่ามักคะปฏิปทาเรียกว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รภาวนาบริกรรมอันใดมันสบายใจบริกรรมแล้วก็ต้องพิจารณาสมถะการบริกรรมวิปัสนาเรียกว่า กำหนดพิจารณาเรื่องพิจารณาสังขารร่างกายอันนี้เรียกว่าวิปัสนาทําไปพร้อมเมื่อบริกรรมไปบริกรรมไปพอจิตสงบสักหน่อยมันไม่ลงถึงที่มันก็ต้องขนขวาก็้นขว้าร่างกายของเราต้องพิจารณาสกลกายของเรานี่แหละกรรมฐ า, านทุกคนนั่นแหละพวกพระพวกเนน พวกญาติโยมนั่นก็เป็นกรรมฐานกรรมฐานหมดมีอยู่หมดทุกรูปทุกนามพระพุทธเจ้าว่าผมขนเล็บฟันหนังเรียกว่าปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานแท้ให้พิจารณาอันนี้ผมมันก็ตั้งอยู่บนสีสษะ พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาผมไม่ใช่คนเป็นผนกหนึ่งต่างหากขนก็ไม่ใช่คนเรามาสําคัญว่าขนเราเล็บเราผมเราฟันก็ไม่ใช่คนเป็นผนกหนึ่งต่างหากหนังก็ไม่ใช่คนหนังสําหรับห่อกระดูกไว้เท่านั้นแหละ อาการ32นี้พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาแยกออกเป็นสัตว์เป็นส่วนอะไรเป็นคนเป็นสัตว์ไม่สำคัญว่าผู้หญิงผู้ชายว่าเขาว่าเราสำคัญที่คนเห็นผิดอาการสาสองนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไซส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองเป็นต้นหมู่นี้เป็นคนละอย่างคนละอย่างมันไม่ใช่คนพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่คนนะอีกอย่างพระพุทธเจ้าว่า ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเรียกว่ารูปรูปใหญ่มหาภูตะรูปสิ่งที่อาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวทนาคือความเสวยอารมณ์สุขทุกข์ก็ดีสัญญาความจำหมายโน้นหมายนี่จำโน้นจำนี่ จิตเจตสิกคือความคิดความอ่านความปรุงขึ้นที่จิตคือวิญญาณสังขารความรู้ทางอายตนะทั้งหกอันนี้เราเรียกว่ารู ป, ปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเรียกว่าขันไม่มีคนไม่มีสัตว์ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์วิญญาณเป็นความรู้เท่านั้นรู้กันอยู่นี่แหละขนไปขนมาอยู่นั่นมองดูคนอยู่ไหนสมถะคือการบริกรรมวิปัสสนาการ้นคว้าอาการ32สองนี่แหละขนไปไม่ส่งจิตไปที่อื่น เวลาเราทำสมาธิเราต้องตั้งใจว่าเวลานี้เราจะทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือจะกำหนดให้มีสติประจำใจไม่ให้มันออกไปสู่อารมณ์ภายนอกให้มีสติประจำใจอยู่ไม่ให้ไปภายนอกเดี๋ยวนี้หน้าที่ของเราจะภาวนาจะทำหน้าที่ของเราไม่ต้องคิดการงานข้างนอก เมื่อออกแล้วจะทำอะไรก็ทำไปเวลาเราทำสมาธิทำความเพียรของเราต้องตั้งสัจจะลงตั้งใจกำหนดอยู่ในสกลกายนี้กำหนดสติให้รู้กับใจเอาใจรู้กับใจให้จิตอยู่กับจิตกำหนดจิตขึ้นให้ทำให้มันพออาศัยศรัทธาวิริยะ เหตุทำให้มากๆอันนี้แหละก้อนธรรมพระพุทธเจ้าว่าก้อนธรรมอันนี้แหละก้อนธรรมหมดทั้งก้อนทำไม่มีที่อื่นไม่มีที่อยู่อื่นจำเพาะรูปใครรูปเราเท่านั้นเป็นก้อนธรรมหมดทั้งก้อนก้อนธรรมอันนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน พระพุทธเจ้าว่าปัญจุปาทานับขันธาอนิจจาขันทั้งห้านี้ไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีความเกิดตั้งขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปวนไปในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในเบื้องปลายปัญจุปาทานับขันธาทุกขาขันอันนี้เป็นทุกขมีทุกบีบขันอยู่ มีแต่ทุกขเวทนานั่นแหละความสุขมีนิดเดียวผู้ที่พิจารณาเห็นความเป็นจริงแล้วไม่มีสักหน่อยความสุขในโลกนี้โลกคือสกลโลกอันนี้สกลกายนี้ปัจจุปาทานักขันธาอนัตตาทาทั้งหลายสกลกายอันนี้ขันห้าอันนี้ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่คนพระพุทธเจ้าว่าสัพเพธรรมมาอะนตาทำทั้งหลายจะเป็นสังขตธรรมหรืออสังขตะธรรมก็ตามไม่มีความประเสริฐไม่มีความดีพิจารณาเห็นสกุลกายว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วอันนี้เรียกว่าพูดถึงวิราคะ วิราโคเษโทเป็นธรรมอันประเสริฐวิราคะคือความคลายความกำหนัดจากอารมณ์ทั้งหลายนี่เป็นธรรมอันประเสริฐนั่นแหละเมื่อถึงวิราคะเรียกว่านิโรโทรทุกดับมีความเบื่อนายเหนื่อยนายในความเป็นอยู่ของอัตภาพ นี่แหละเรียกว่าปล่อยวางเห็นตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางตัณหาความทะเยอทะยานความอยากความใคร่ในทางกิเลสกรมความอยากเป็นอยากมีถึงขั้นนี้ก็กิจสาเร็จแล้ว